เป็นวันมงคลพอพวกเราผู้มีจิตศรนะัทธาสาธิชนทั้งหลายได้มาร่วมกันถวายผ้ากฐินทานโดยมีครอบครัวประสานเนตรนะคือพ่อสมเพศแม่สงกรานนะยมพยอมยมพยาวและญาติมิตร ทั้งจากใกล้จากไกลลถทั้งชาวบ้านถ้ามาไฟหวานบุญที่เราบําเพ็ญในวันนี้นะเป็นมหาบุญมหากุศลมีอีกชื่อหนึ่งว่าเป็นการละทานการละทานก็คือว่าทานที่ให้หรือที่ทำได้เฉพาะบางเวลาบางเวลาในที่นี้ก็คือว่า ช่วงเวลาหนึ่งเดือนนับจากออกพรรษาจนถึงวันลอยกระทงเนี่ยอันนี้คือช่วงเวลานาทีทองนะสำหรับการทำบุญที่เรียกว่ามหาบุญมหากุศลนะอันนี้เป็นความเชื่อของชาวพุทธเรานะถ้าพ้นวันลอยกระทงไปแล้วนะก็ทำไม่ได้นะจะทำได้ในรูปอื่นเช่นผาป่า อันนี้ผ้าป่าทําได้ตลอดทั้งปีนะแล้วก็ไม่จํากัดเวลาแต่ก็อย่าทอดผ้าปาตอนดึกนักนะเพราะว่าพาก็ต้องหลับต้องนอนนะผ้าป่านี่ทําได้ทั้งปีนะแต่ว่ากระถินนี่ทําได้เฉพาะช่วงนี้แหละนะจึงเรียกว่าการละทานและเพราะเหตุว่าทําได้เฉพาะสามสิบวันในหนึ่งปี แล้วก็วัดหนึ่งนี่รับได้ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นงานใหญ่นะ<ม>กระถินเนี่ยสิ่งสำคัญนะตั้งแต่สมัยพุทธกาลก็คือผ้าเรียกว่าผ้ากระถินนะสมัยก่อนก็ถวายแต่ผ้าแล้วก็มีบริวารเล็กน้อย ตอนหลังบริวารก็กลายเป็นส่วนสำคัญผ้าก็ลดความสำคัญลงไปนะบริวารที่ว่านี้นะไม่ใช่แค่หมอนนะไม่ใช่ผ้าห่มนะแต่ว่าเป็นเงินนะอันนี้ก็เป็นความนิยมของคนในยุคปัจจุบันแล้วก็หลายแห่งก็วัดว่าจะได้เงินเท่าไหร่นะ ที่จริงแล้วเนี่ยการทำบุญที่ชื่อว่าบุญกระถินเนี่ยเงินนี่ไม่สำคัญนะจะได้น้อยได้มากก็ไม่สำคัญขอให้มาด้วยใจที่เต็มร้อยนะก็ได้บุญเต็มที่นะจะเป็นร้อยหรือเป็นล้านอันนี้ไม่สำคัญนะให้ใจเต็มร้อยใจเต็มร้อยคือว่าใจนี่มีความศรัทธามีความปรารถนาในการทำบุญ เมื่อใจเต็มร้อยอา น, นิสงก็เต็มร้อยเหมือนกันนะแต่ว่าหลายวัดก็จะจะวัดกันที่เงินหรือบางทีวัดวัดก็ไม่ได้วัดหรอกแต่โยมนะโยมจะให้ความสำคัญนะเพราะว่าจะเกิดถวายน้อยก็อาจจะเสียใจว่าเป็นการตัดโอกาสไม่ให้เจ้าภาพคนอื่นเข้ามาถวายเพราะถ้าเจ้าภาพคนอื่นมาถวายอาจจะได้เงินมากกว่า แทนที่จะเป็นพันเป็นหมื่นก็อาจจะเป็นสายหรือเป็นล้านนะอันนี้ญาติโยมก็ต้องเข้าใจว่าในทางวุทธศาสนาเนี่ยการทําบุญเน่ยสิ่งสําคัญไม่ใช่เงินนะโดยเพาะการทอดกรถินก่อนทอดกรถินเนี่ยสิ่งสําคัญคือผ้านะสมัยก่อนเนี่ยเงินไม่มีนะไม่ได้เป็นบริวารหรือได้ซ้ําและการถวายผ้าเนี่ยก็มุ่งนะ ถวายให้กับพระที่มาจำพรรษาที่เป็นผู้ปฏิบัติดีนะอยู่ในพระธมวนในนะแล้วก็มีความประพฤติเรียบร้อยนะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะบวชได้นานๆนะไม่ใช่รับกระถินวันนี้พรุ่งนี้ศึกนะอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้พาะกระถินเนี่ยเพื่อถวายกับพระเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ท่าน ตั้งมั่นในชีวิตประจำวันนะขณเดกันก็เป็นการอนุโมทนาพระสงฆ์ที่สมัคคีกันอยู่กันตลอดครบถ้วนไตรมาสสามเดือนนะมีความสามัครคีกันแล้วก็ปรองดองกันนะเวลาจะเลือกว่าพระรูปใดจะรับกระถิน่นก็มีมติเป็นเอกฉันเรียกว่าฉันทานุมัติมีความเห็นสอดคล้องกันเป็นหนึ่งเดียว อย่างนี้ก็แสดงว่ามีความสมัคคีกันเพราะว่าถ้าทะเลาะเบาแหวงกันก็ต้องมีคนค้านเสียงหนึ่งบ้างสองเสียงบ้างถ้ามีคนค้านเสียงเดียวสองเสียงก็ก็ไม่ได้นะต้องเป็นเอกฉันอเพราะฉะนั้นเนี่ยการทอดกระถินเนี่ยท้ากระถิจะสําเร็จได้ก็เพราะว่าพระมีความสมัคคีกันด้วยตอนหลังการทอดกรถิ่นก็มาเป็นโอกาส ให้ส่งเสริมอุปธรรมวัดด้วยนะไม่ใช่แค่สนับสนุนพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่ว่าเป็นการสนับสนุนอุดหนุนพระวัดวัดให้สามารถจะมีกําลังในการทํางานเผยแผ่พุทธศาสนาหรือว่าช่วยให้วัดเนี่ยสามารถจะทําประโยชน์ให้กับญาติโยมได้อย่างเช่นเนี่ยบริวารที่มาถวายวันเนี้ก็มีหม้อนนะ หมอนเยอะแยะเนี่ยนะเกินจำนวนพระนะไม่ได้ถวายหมอนให้พระใช้นะถวายหมอนเพื่อให้พระเนี่ยเอาไว้ต้อนรับญาติโยมนะเวลาญาติโยมมาทำบุญนะมาปฏิบัติธรรมก็มีหมอนใช้นะก็เป็นหน้าที่หนึ่งของวัดนะในการที่จะสนับสนุนอุดหนุนให้คนมาปฏิบัติธรรมหรือบางทีบางแห่งเจ้าภาพก็ถวายจานชามช้อนซ่อมนะอันนี้ก็เป็นประโยชน์กับญาติโยม เป็นประโยชนกับพระนิดหน่อยนะเพราะว่าพระก็ไม่ได้ใช้ช้อนซ่อมจานชามเยอะแต่ว่าที่ถวายจานชามเป็นร้อยนะก็เพราะว่าจะได้ให้ญาติโยมไปใช้เวลามีงานแต่งงานเวลามีงานบวชงานศพก็ยืมไปใช้อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของวัดอย่างหนึ่งนะก็คือสงเคราะห์ชุมชนวัดเราเนี่ยนะสมัยตั้งแต่ไหนแต่ไรมาก็ไม่ได้สงเคราะห์คนเฉพาะธรรมะแต่สงเคราะห์ในด้านปัจจัยสี่หรือว่าสงเคราะห์ ชุมชนนะด้วยนะันการทอดกรถินนะก็เป็นการ อ, าอุปถัมภ์ทั้งพระแล้วก็ทั้งวัดนะให้สามารถจะทำคุณงามความดีทำประโยชน์ทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านได้อันนี้คือประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับผู้รับนะเรียกว่าผู้รับนี่นะเราเลียกปฏิคาหกนะส่วนโยมที่เป็นเจ้าภาพนะซึ่งวันนี้ก็มีมากมาย เรียกว่าทายกทายกแปลผู้ให้นะไม่ได้แปลว่าผู้ที่รับใช้วัดนะบางคนมารับใช้วัดแล้วบ่อยๆล้วก็เรียกว่าทายกนะแต่ยิง่งทายกเนี่ยคือผู้ให้นะถวา ย, นะ อ, ยาอย่างวันนี้มีทายกาเยอะมาถวายคือผู้ให้ใหทานนั่นเองผู้ให้ทานหรือผู้เป็นเจ้าภาพถวายกรถินหรือผ้าป่าหรือว่าทานใดๆก็ตามเนี่ยก็ได้ประโยชน์นะ อันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ทำให้คนมาทำบุญประโยชน์ที่ผู้คนมุ่งหวังจากการมาทำบุญโดยเฉพาะบุญกระถินนะส่วนใหญ่ก็ได้แก่ปรารถนาโชคลาภให้มีชีวิตยืนนานมีสุขภาพพารณาไมยเข้มแข็งนะที่เจ็บป่วยก็ขอให้หายป่วยนะที่ มีอุปสรรคในการทํางานก็ขอให้ผ่านพ้นอุปสรรคพูดรวมๆง่ายๆาสั้นๆว่ามาทําบุญก็เพราะปรารถนาจะให้รอดตายหายป่วยร่ํารวยมีชื่อเสียงนะหรือว่ามีโชคมีลาบอันนี้ก็เป็นอันิสยศที่ผู้คนมาแต่ที่จริงแล้วเนี่ยถ้าหากว่าหมั่นทําบุญบ่อยๆอนันย์ประเภทนี้ก็จะเกิดขึ้นได้กับผู้ถวายเหมือนกันนะ ท้าไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้านะคนสมัยก่อนบางทีก็มาทําบุญก็หวังประโยชน์ชาตินี้เช่อนอ่าถวายยานะก็หวังว่าชาติหน้าจะมีสุขภาพดีหรือว่าถวายดอกไม้เพื่อชาติหน้าจะได้สวยแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราไม่หวังรอชาติหน้าแล้เอาชาตินี้เลยนะก็คือว่าอ่าถวายแล้วก็อยากจะให้มีความมั่งมีสิริศุขนะให้มีสุขภาพดีมีฐานะ มีการงานมีชื่อเสียงนะอันนี้เรียกลมรวมว่าประโยชน์ทางโลกนะหรือว่าทรัพย์ทางโลกนะทรัพย์ทางโลกเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงเฉพาะทรัพย์สินเงินทองอยังหมายถึงสุขภาพนะหมายถึงการมีมิตร ด, ดีการมีงานดีมีครอบครัวดีนะหรือว่ามีชื่อเสียงนะเราทําบุญก็หวังประโยชน์ส่วนนี้ นะแต่ว่าประโยชน์มันมีมากกว่านี้นะแล้วก็ดีกว่านี้อันนี้คือประโยชน์ทางธรรมการมาทำบุญนะโดยเพราะการให้ทานเนี่ยก่อให้เกิดอ น, นิสงค์ทางธรรมหรืออ น, นิสงค์ทางจิตใจก็ถือทำให้จิตใจสงบเย็นเป็นสุขถเมื่อถวายแล้วเนี่ยจิตใจก็อิ่มเอิบนะมีความปิติมีความปราโมด อันนี้ก็คืออันนี้สงแล้วนะของการทําบุญนะอย่างโยมวันนี้มาทําบุญหลายคนก็มีความปิตินะปิติมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะเวลาหลวงกระถินเดินเข้าวัดมานะก็มีความนะยินดีนะเห็นลังคาโบสถ์ลังคาวัดแต่ไกลๆก็มีความสุขละ ว, ว่าจะได้มาอุปถรัรมภ์พระศาสนาจะได้มาบํารุงพระสงฆ์มาถึงแล้วก็มาถวาย นะจะถวายด้วยมือของตัวเองหรือว่าออนุโมทนาก็ได้บุญทั้งนั้นนะอันนี้ก็ต้องสาวไว้นะว่าอย่าไปคิดว่าถ้าไม่ได้ถวายกับมือ น, นี่จะไม่ได้บุญหรือได้บุญน้อยจะน้อยหรือมากเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่ามือถวายหรือเปล่าอยู่ที่ใจนะถ้ามือถวายแต่ใจกังวลโ น, น้นนี่นะกังวลถึงลูกนะนึกไปถึงอแฟนที่กำลังป่วยอันเนี้ย จิตใจเศร้าหมองก็ได้บุญน้อยแต่ถ้าขณะที่ถวายแม้มือไม่ได้แตะผ้าเลยนะแต่ว่าใจเนี่ยเปลี่ยนไปด้วยความยินดีอนุโมทนาในบุญที่เจ้าภาพได้ทำอันนี้ได้บุญเต็มๆนะเพราะว่าบุญเนี่ยมันหมายถึงความสุขใจผู้เจ้าตรัสว่าบุญเป็นชื่อของความสุขสุขที่นี่คือสุขใจสุขใจมันเกิดขึ้นได้ทันทีนะ ส่วนความร่ำรวยจากการทำบุญเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นทันทีนะมันใช้เวลานะนะเช่นทำบุญวันนี้นะก็กว่าจะได้โชคได้ลาบโน่นก็อาจจะสองเดือนหน้านะหรือว่าปีหน้านะแต่ว่าความสงบเย็นในจิตใจหรือความสุขใจเนี่ยทำเดี๋ยวนี้ได้ทันทีเลยนะ อย่าลืมประโยชน์ตรงนี้นะอันนี้สงอันนี้อันนี้สงทางใจหรือว่าประโยชน์ทางธรรมอันนี้ประโยชน์ทางธรรมเนี่ยยังมีมากกว่านี้นะนอกจากความปิติปราโมทย์ที่ได้ทําบุญซึ่งเกิดขึ้นทันทีที่ถวายแล้วเนี่ยประโยชน์ยังมีอีกมากเช่นถ้าเกิดว่าเราวางใจถูกต้องถือว่าเมื่อมาทําบุญเนี่ยเรามาทําบุญเพื่อลดความตณี อันนี้เป็นหน้าที่ของทานประโยชน์ของทานโดยตรงเลยนะกูจ้ะจัดว่าเนี่ยประโยชน์ของทานคือการลดความตันหนีนะยิ่งเราให้ทานมากเท่าไหร่ถ้าเราวางใจถูกมันจะช่วยลดความเห็นแก่ตัวลดความตันหนีลดความโลภนะแล้วคนเราเนี่ยเมื่อมีความโลภน้อยลงมีความตันหนีน้อยลงก็ยังมีความสุขง่ายนะได้เท่าไหร่ก็มีความสุขนะเพราะพอใจในสิ่งที่ได้แต่ถ้ามีความโลภความตันหนีแล้ว มันได้เท่าไหร่ก็ไม่พอนะนะได้เท่าไหร่ก็ไม่พอีนี่ถ้าเกิดว่าเรามีความส ง, สงบเย็นนะเพราะเรารู้จักละเพราะเราลดความเป็นแกนตัวลดความตนันหนีความสุขมันก็จะอยู่กับใจเรานะและความสุขชนิดนี้อยู่ได้นานคราวนี้ประโยชน์ทางใจเนี่ยนะนอกจากการที่ลดละความตันหนีแล้วเนี่ยนะ มันยังมีอย่างอื่นอีกนะเช่นการมีศรัทธานะเมื่อกี้บอกไว้แล้วว่ามันมีทรัพย์ทางโลกนะทรัพย์ทางธรรมเนี่ยก็ได้แก่ศรัทธานะได้แก่ศีล น, นะได้แก่จาคะนะได้แก่ปัญญาพวกนี้เนี่ยเป็นอริยทรัพย์ ที่เกิดขึ้นได้เริ่มต้นจากการที่เรารู้จักให้ทานนะคนเราเนี่ยถ้าเราศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะมันก็ชักชวนให้เราทำสิ่งที่ดีงามและชีวิตเราก็จะเจริญเช่นถ้าเราศรัทธาในพระรัตนตรยัยเราก็จะขนขวายในการทำความดีนะเราจะเห็นคุณค่าของความกตัญญูรูกคุณพ่อแม่นะเราจะไม่ทำชั่ว แต่ถ้าเราไปศรัทธาอย่างอื่นนะเดี๋ยวนี้ไปศรัทธาอย่างอื่นมากกว่าพระตนาตไตรเช่นศรัทธาเงินนะถึงแม้จะบอกเป็นชาวพุทธแต่ว่าลึกๆเนี่ยก็เชิดชูเงินเป็นสาระามากกว่าเคยเห็นเป็นเป็นป้ายนะเป็นเป็นเป็นแผ่นป้ายรูปของหลวงพ่อสามองค์นะ คนเนี่ยติดไว้ประจํารถบ้างประจําบ้านบ้างเอาไว้บูชารูปแรกเนี่ยคือหลวงพ่อชอบรูปที่สองคือหลวงพ่อเงินแล้วรูปที่สามคือหลวงพ่อสดเอามาเรียงกันแล้วก็เขียนคําว่าชอบเงินสดนะไม่รู้ตกลงว่าศรัทธาหลวงพ่อหรือศรัทธาเงินกันแน่นะตกลงชอบอะไรกันแน่นะชอบพระสง์หรือชอบเงินสดนะนี่ระวังเนี่ยบางทีมันซ่อนมานะเราทําบุญทําบุญเนี่ย เราจะไม่ได้ศรัทธาในพระอริยสงฆ์นะแต่เราศรัทธาอยากได้เงินสดมากกว่านะ เ, าเงินแห้งไม่เอาต้องเอาเงินสดด้วยนะนี่ถ้าเราชอบเงินสดเนี่ยหรือว่าเอาเงินไปสารานันเนี่ยบางทีมันก็ชักพาให้เราทำชั่วได้นะเช่นคดโกงนะหรือบางทีก็ไปขโมยของวัดเนี่ยเดี๋ยวนี้วัดนี้ก็ไม่ปลอดภัยนะจากผู้ร้ายนะ ขโมยของในวัดเนี่ยว่าตมานี่นะไม่ได้มีอะไรนะแต่มีต้นไม้คนก็มาตัดไม้นะปู่หลวงนี่ได้ข่าวว่าล่าสุดก็ตัดไม้พยุงไปนะนะอันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้รู้จักบาบุญคุณโทษเลยนะอยากได้เงินอย่างเดียวอันนี้เพราะว่าศรัทธาเงินนะไม่ได้ศรัทธาในศาสนาไม่ได้ศรัทธาในบุญกุศลไม่ได้ศรัทธาในพระตนไตร อันนี้มันก็พาให้ตกนรกได้นะถ้าศรัท ธ, ธาผิดที่อ่ะเพราะถ้าศรัท ธ, ธาผิดที่แล้วผิดอย่างนียมันก็พาให้ผิดศีลได้นะมันทำให้เห็นแก่ตัวไม่มีจากคะและทำให้มีอวิชชาบดบังทำให้ไม่เกิดปัญญาแต่ถ้าคนเราเนี่ยนะมีนะ ม, นะมีธรรมะไว้ประดับใจมันจะไม่ใช่แค่เป็นเครื่องประดับให้จิตใจสวยงามนะแต่มันช่วยทาให้ไม่มีความทุกข์ได้นะ คนเราเนี่ยถ้าไม่มีธรรมะรักษาใจเนี่ยแม้มีโชคมีลาบนะมันก็ทุกได้นะทรัพย์ทางโลกเนี่ยที่หลายๆคนปรารถนาเนี่ยนะส่วนใหญ่ไม่คยไ ด, ไ ด, ได้ได้คิดนะว่ามันไม่ใช่ทำให้เกิดความสุขที่แท้ได้โชคได้ลาบมาแต่ทุกก็มีนะเมื่อสองอาทิตย์ก่อนได้ข่าวไหม มีชาวบ้านคนหนึ่งที่อุดร น, นะเป็นรอปพถูกลอตเตอรี่วันที่หนึ่งสามสิบล้านนะสามสิบล้านบาทนะก็ไม่รู้ทำบุญอะไรมานะแต่ปรากฏว่ามีความทุกข์นะเพราะว่าเมียก็ขอบ้างเมียขอสิบล้านเพื่อนไม่ให้นะเมียก็ฟ้องแล้วนี่ก็เลยเป็นคดี บคนก็มีทั้งสนับสนุนแล้วก็มีทั้งด่า <c oughs> เพื่อนก็เครียดนะถึงกับบอกว่าเนี่ยอยากจะบวชแล้วนะอยากจะบวชแล้วเพราะว่ามันเครียดมาก <c oughs> แล้วก็บอกว่าบางทีอาจจะบวชตลอดชีวิตเลยนะคือกลุ้มใจนะนะีมีโชคได้สามสิบล้านนี่ไม่ได้แปลว่ามีความสุขนะถ้าหากว่าวางใจไม่เป็นนะเช่นอ้าว เมีจะมาขอสิบล้านก็ไม่เป็นไรให้ไปเราก็ยังมียี่สิบล้านใช่ไหมแต่ถ้าเกิดหวงแหาแล้วเนี่ยนะแม้แต่แสนหนึ่งหายไปก็เป็นทุกข์ละนะมือหนึ่งหายไปก็เป็นทุกข์ละนะเมื่อสิบปีก่อนนี่มีพ่อค้าหับเล่คนหนึ่งนะถูลัตเตอรี่เหมือนกันนะได้ยี่สิบล้าน 20สิบล้านเมื่อสิบปีที่แล้วนี่มันมากกว่าสิบล้านสมัยนี้นะขึ้นหน้าหนึ่งไทยรัฐคนก็อนุมโมทนาด้วยดีใจด้วยบางคนก็ฝันหวานนะโอ้นะอยากจะเป็นอย่างเขาเหลือเกินเอาแค่สิบล้านก็พอผ่านไปไม่ถึงเดือนขึ้นหน้าหนึ่งไทยรัฐอีกแล้วบอกว่าพ่อค้าหับเลกคนนี้ซดยาพิษฆ่าตัวตายนะ ไอตอนไม่ถูกนะไม่เคยมีความคิดเลยนะว่าจะฆ่าตัวตายแต่พอถูกแล้วนี่เป็นไงอ่เป็นเป็นยังไงถึงฆ่าตัวตายนะแต่ไม่ตายนะเพื่อนเครียดนะเพราะว่าพอคนรู้ว่าถูกลอตเตอรี่ก็มีคนแห่มาขอเพื่อนก็ให้ให้ไปแล้วไอคนที่ได้ก็ไม่พอใจเพราะว่าอยากได้แสนกลับได้มืน่นบางคนก็โทรศัพท์ขู่ฆ่าขู่ฆ่าตัวพ่อค้าเลขคนนี้ขู่ฆ่าลูกด้วย เพื่อนเครียดมากน ะ, นะเลยกินยาน้ำยาล้างห้องน้ำฆ่าตัวตายวิกซอลนะวิกซอลเนี่ยไปขัดพื้นเนี่ยบ่ได้เอาไ้กินนะเอาไว้หางๆท า, างกระเพาะหน่อยนะปรากฏว่าลูกสาวเห็นมาไปช่วยไว้ได้ทันส่งโรงพยาบาลเพื่อนก็ให้สัมภาษณ์นังสือพิมพ์ไทยรัฐว่าตอนเป็นพ่อค้าหาเลยเนี่ย มีความสุขกว่าเป็นไหนไหนตอนเป็นพ่อค้าหับเลยหาช้ากินขํามีความสุขกว่าเป็นไหนไหนมีความสุขกว่าอะไรมีความสุขกตอนที่ได้ลถูกลอตเตอรี่ยี่สิบล้านนะสองตัวอย่างเนี่ยเห็นเลยนะว่าการการได้โชคได้ลาบนี่มันไม่ได้แปลว่ามีความสุขนะได้แล้วอาจจะทุกข์ก็ได้ขึ้นเราทุกข์ขลาบยิ่งถ้าไม่มีธรรมะนะ พรถ้ามีธรรมะเนี่ยนะจิตใจมันก็ไม่วันไหวนะใครเขาจะมาขู่ฆ่าก็ไม่วันไหวใครเขาอยากใครเคามาขออยากได้ก็ให้เขาไปนะแต่ว่าพอได้แล้วก็เกิดความโวงผางเกิดความยึดติดนะนั้นพอเขาขู่ฆ่าเขาก็เครียดนะใหเวลาเราอยากได้โชคได้ลาบเนี่ยถามใจเจ้าของว่าจิตใจเจ้าของพร้อมหรือ ย, อยังที่จะได้โชคได้ลาบเวลาทําบุญอยาก ถูกลอตเตอรี่เนี่ยถามใจเจ้าของว่าถ้าได้สิบล้านยู่สิบล้านเนี่ยพร้อมหรือยังว่าถ้าได้แล้วเนี่ยจะมีความสุขนะเพราะว่าส่วนใหญ่ได้แล้วทุกนะนะมีตัวอย่างเป็นีอีกเยอะอาตมาไม่มีเวลาจะมาเล่าให้ฟังนะบางคนดีใจถูกลอตเตอรี่กินเหล้าเมานะขับรถแหกโคง้งชนเสาตาย นาที่นี่ถ้าไม่ถูรัตตลีนะก็ยังอยู่ได้อีกนานนะแต่พอถูรัตตรี่นี่ตายเร็วเลยเพราะว่าดีใจกินเหล้าขาดสตินะตายนะอย่างนี้เรียกว่าโชคดีหรือโชคร้ายนะนะนันนี้เพราะว่าได้โชคได้ทรัพย์ทางทางโลกแต่ว่าไม่มีทรัพย์ทางใจเพราะถ้ามีทรัพย์ทางใจนะก็จะไม่ขาดสติถ้ามีทรัพย์ทางใจก็รู้จักปล่อยรู้จักวางได้ไม่หวงไม่แหนเอาไว้ และถ้ามีทรัพย์ทางใจนะหรือว่าอริยทรัพย์นะแม้ไม่ได้โชคไม่ได้ลามนะแม้เจ็บแม้ป่วยก็ไม่ทุกนะมีผู้ชายคนหนึ่งประสบอุบัติเหตุนะทางรถยนต์ตัดขานะก็อยู่ลำบากนะภรรยาก็ดูแลได้ไม่นานก็เบื่อนายนะก็ทิ้ง จากเพื่อนไปก็มีภาพไปถามเพื่อนว่าเป็นยังไงเสียใจไหมที่แฟนทิ้งเพื่อนตอบดีนะบอกว่าแม้แต่ขาของผมแท้ๆมันยังไม่ยอมอยู่กับผมเลยนะแล้วจะให้เมีย อ, อยู่กับผมได้ยังไงนะมันก็ธรรมดานะขนาดขานี่มันยังไม่ยอมอยู่กับเราเลยแล้วคนอื่นนะ่ะเขาจะไม่อยู่กับเราก็เป็นเรื่องธรรมดาแม่นบอกอันนี้คนมีธรรมะนะ คนมีธรรมะคนมีปัญญาเนี่ยก็จะรู้เลยว่าเออมันธรรมดานะเพรขามันนี้ไม่ยอมอยู่กับเราเลยนะโยมก็ลองสังเกตดูก็แล้วกันนะว่าตอนนี้มันมีอะไรอยู่กับเราบ้างไอ้ของรักของห่วงของที่อยู่มานานผมเผ้าที่ดําตอนนี้มันก็ไม่อยู่กับเราแล้ะมันก็กลายเป็นผมขาวร่างกายที่แต่งตึงตอนนี้มันก็ไม่อยู่กับเราละมันเหลือแต่ร่างกายที่เหยียวยน่นนะกำลังวังชามก็ไม่อยู่กับเราตานะมันก็เริ่มจะทิ้งเราไปแล้ะ นะถ้าเราเห็นแบบเนี้ยเราก็รู้ว่ามันไม่มีอะไรเป็นของเราเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินจะหายนะแฟนจะทิ้งเนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะไม่มีอะไรเป็นของเรานะแต่ถ้าคนไม่มีธรรมะนะไม่มีอริยสัพย์นะก็จะตี อ, อกชกหัวกุ้มอกกุมใจทําไมกูซวยแบบนี้เสียขาแล้วต้องมาเสียเมียอีกนะอันนี้เรียกว่าไม่มีปัญญา <c oughs> ก็เลยทุกข์แต่ถ้ามีปัญญาแล้ว นะเมียทิ้งก็ไม่ไม่ทุกข์ขาหายไปก็ไม่กลุ่มใจมีผู้ชายคนนึ่งก็คล้ายกันเลยนะพาคนไปทำค่ายที่แม่ห้องสอนพานักศึกษาไปทำค่ายช่วยเหลือโรงเรียนในชนบทนะที่แม่ห้องสอนนะขากลับเพื่อนก็ไปแม่สอต่อนั่งรถพานักศึกษานะกลับเข้าเมืองแม่ห้องสอนเนี่ยทางมันเป็นเขา ถนนเนี่ยมันวกวนนะมันมีหลายโคง้งประมาณพันพันกว่าโค้งได้ปอกกว่ารถเนี่ยขับรถพลาดตกลงมาจากเขาตอนที่ตกลงมาเนี่ยชายหนุ่มคนเนี้ยที่เป็นผู้นำนักศึกษาไฟออกค่าเนี่ยเพื่อนก็อธิษฐานว่าขออย่าให้ใครนักศึกษาที่พามานี่มีอันเป็นไปเลยปอกกว่านักศึกษาทุกคนปลอดภัย แต่ตัวเจ้าของนั่นแหละนะเจอแรงกระแทกเข้าไปพิการขาไม่ขาดนะแต่พิการครึ่งตัวตอนที่ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเพื่อนๆก็มาเยี่ยมหลายคนก็ร้องโหมร้องไห้บางคนก็ตัดเพราะว่าทําไมทําดีถึงต้องมาเจอแบบนี้แต่ว่าคนไข้คนนี้นะแกให้กําลังใจเพื่อนแกปลอบเพื่อนว่าก็เพราะทําดีเนี่ยไปสร้างบุญมาเสี <N> um> นะจึงยังเหลืออยู่ครึ่ ง, ย, ง, ออ ย, งนะยังเหลืออยู่ครึ่งตัวนะยังเหลืออยู่ครึ่งตัวนะคือถ้าไม่ทําความดีนะัปานี้คงไปหมดแล้วทั้งตัวแนละ้วคือตายนะนี่ขณะพิการนะพิการครึ่งตัวก็ยังรู้สึกว่าเออเป็นเพราะเราทําความดีนะมันยังเหลือครึ่งหนึง่งนะถ้าไม่ทําความดีก็หมดไปทั้งตัวอันนี้แล้วว่าเป็นคนที่มีมีทรัพย์ภายในพอมีทรัพย์ภายในเนี่ยมันวางใจเป็นวางใจถูก นะแม้เจ็บแม้ป่วยแม้พิการใจก็ไม่ทุกนะเห็นความแตกต่างไหมคนหนึ่งได้เงินสามสิบล้านแต่ว่าทุกจนจะฆ่าตัวตายจนกระทั่งอ่ากุ้มบอกกุ้มใจอีกคนหนึ่งไม่ได้ทรัพย์ไม่ได้ลาบแต่เสียด้วยนะเจ็บป่วยพิการขาขาดแฟนทิ้งแต่ยิ้มได้นะเพราะอะไรนะเพราะเขามีธรรมะมีปัญญานะ ทำมาในที่นี้เนี่ยนะหมายถึงการมีปัญญาที่ทำให้ใจเป็นปกติใจสงบได้แล้วคนนับภาษาอะไรนะกับการเสียทรัพย์นะเสียทรัพย์เท่าไหร่ใจก็ยังยิ้มได้นะมีเศรษฐีคนหนึ่งนะโดนโกงไปหกสิบล้านนะเสียใจทั้งผัวทั้งเมียนะเศร้าแค้น แต่พ่าไปสามวันเมียก็ยิ้มได้เพื่อนก็เลยไปถามว่าได้เงินคืนมาเหรอเธอบอกว่ายังไม่ได้หรอกอ่าแล้วทําไมยิ้มได้เธอก็บอกว่าก็มานึกดูนะทุกวันนี้ก็ยังมีบ้านสบายอยู่มีอาหารการกินอร่อยนะชีวิตก็ยังไม่ลําบากอะไรยังสุขเหมือนเดิมแล้วจะทุกไปทําไมนะ คือเงินหกสิบล้านที่หายไปเนี่ยไม่ได้ทำให้ชีวิตเธอเปลี่ยนแปลงเลยก็ยังมีความสุขสบายเหมือนเดิมนะบ้านก็ยังหลับนอนใหญ่โตอาหารก็ยังได้มีกินครบสามมื้อแล้วก็ยังอร่อยเหมือนเดิมนะแล้วจะทุกข์ไปทำไมนะอันนี้ก็เลือกเป็นคนที่มีนะมีปัญญามีทรัพย์ภายในนะเวลาเราทำบุญเนี่ยนะอย่าอย่าหวังแต่ หรืออยาอธิฏฐานแต่เพียงขอให้มีทรัพย์สินเงินทองมากๆขอยถูกหวยรวยเบเยอะๆนะแต่ขอให้เราตั้งจิตว่าเออการทำบุญของเราเนี่ยมันจะช่วยลดลากิเลส ใ, ในใจของเราช่วยทำให้เราเกิดใจที่สงบรู้จักปล่อยรู้จักวางทำให้ใจเรามีปัญญามีความเ อ, อื้อเฟือ้อเผื่อแผ่ไอ้สิ่งเหล่านี้แหละนะที่จะทาให้มีความสุขอย่างแท้จริง นะเป็นความสุขใจแม้ว่าจะเสียทรัพย์นะแม้จะเจ็บป่วยนะแต่ว่าใจไม่ทุกข์สำคัญมากนะป่วยกายแต่ใจไม่ทุกข์นะอย่างหลวงพ่อของเราเนี่ยนะท่านก็ป่วยกายนะป่วยหนักนะเจ็บมีทุกขเวทนาเรียกว่าแทบทุกแทบทั้งตัวทั่วสารพางกายแต่ว่าหลวงพ่อท่านใจท่านสงบนะ เรียกว่าป่วยกายแต่ใจไม่ป่วยไม่ต้องเป็นขนาดหลวงพ่อก็ได้นะก็มีหลายคนนะที่เขาป่วยกายแต่ว่าใจเขายิ้มได้นะไม่ได้ยิ้มที่ใจงเดียวยิ้มที่สีหน้าด้วยเคยพาคนไปเยี่ยมไปเยี่ยมผู้ป่วยนะผู้ป่วยหนักที่หัดใหญ่ก็มีจิตอาสาไปเจอเด็กหญิงคนหนึ่งอายุสิบสี่ผมร่วงหมดเลยเธอเป็นมะเร็งสมอง แต่ว่าน้าตากิ้มแย้มพูดคุยโอภาปาสรีดีชวนจิตอาสาวาดรูปด้วยซ้ําคุยไปคุยมาเด็กคนนี้ก็บอกว่าหนูโชคดีที่ไม่ได้เป็นมะเร็งมดลูกนะเพราะว่ามีญาติคนหนึ่งเป็นมะเร็งมดลูก ป, ปวดมากเลยหนูโชคดีที่เป็นแค่มะเร็งสมองอืเธอพูดเลยนะหนูโชคดีที่เป็นแค่มะเร็งสมองนะนี่ถ้ามีธรรมะนะถ้ามีธรรมะเนี่ยเจอเท่าไหร่ก็ไม่ทุกนะ แต่ถ้าไม่มีธรรมะมองไม่เป็นนะแม่เป็นสิวผิวแห้งผมแตกปลายก็กินไม่ได้นอนไม่หลับแนละ้วกุม อ, อกกุมใจนะเดี๋ยวนี้วัยรุ่นเป็นอย่างนี้เยอะนะทั้งที่มีครบทุกอย่างนะมีครบทุกอย่างบ้านก็สบายพ่อแม่ก็ดีครอบครัวก็อ บ, อ, บอุ่นการเรียนก็ดีหน้าตาเธอก็สาสวยนะ i อโฟนไอแพนะข้าของเทคโนโลยียต่างมีครบเสียอย่างเดียวนะมีสิวเนี่ยกุม อ, อกกุมใจนะ อันนี้เรียกว่ามองไม่เป็นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะพวกเราเนี่ยเวลาทำบุญเนี่ยนะอย่างที่บอกนะอย่ามุ่งหรือหวังแต่เพียงทรัพย์ทางโลกนะหรือว่าความสุขทางโลกนะให้ระลึกถึงความสำคัญของทรัพย์ภายในหรืออริยทรัพย์นะคนสมัยก่อนเนี่ยเวลาทำบุญเนี่ยพูดสั้นๆ นิพพานปปจิโยโหตุขอให้เป็นปัจจัยไปสู่พระนิพพานอย่างอื่นไม่อย่างอื่นไม่สนเลยนะอย่างอื่นไม่สนเลยนะบุ่งนิพพานอย่างเดียวนะบางแห่งก็ดีหน่อยนะ อ, อธิษฐานเป็นกรอนเวลาใส่บาตนะข้าวของผู้ฆ่ายกขึ้นเหนือหัวข้าวของผู้ฆ่าขาวมุอนดอกบัวนะยกขึ้นเหนือหัวถวายแด่พระสงฆ์ จิจใจจานงมุ่งตรงต่อพระนิพพานขอให้ถึงเมืองแก่ขอให้คราบบุญมานขอให้ไปเกิดในยุคศรีอ่านแค่นี้แหละนะไม่ได้ปรารถนาขอให้มั่งมีสิสริสุขรอดตายหายป่วยร่ารวยมีชื่อเสียงเลย ห, หวังนิมเพงว่าขอได้ไปพระนิพพานถ้าไม่ได้พระนิพพานก็ขอไปเกิดในยุคศรีอ่านเพราะว่าเชื่อว่าถ้าไปเกิดในยุคศรีอ่านแล้วเนี่ย <c oughs> ก็มีโอกาสจะได้บรรลุ ธ, ธรรมเป็นพระอรหันต์นะหรือว่าเป็นพระโสดาบัน นะอย่างนางพิสาขาอย่างอนาถปิณฑิกาเศรษฐีแล้วก็อีกมากมายเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นนะที่ได้บรรลุธรรมในสมัยพระพุทธเจ้าองค์ที่แล้วนะก็ฝากเอาไว้นะให้เราได้วางจิตวางใจใถูกในการที่เรามาทําบุญกฐินในวันนี้แล้วก็อย่างที่บอกนะว่าอการบุญกฐินเนี่ยนะมันไม่ได้ที่จํานวนเงินนะจะได้หามาน้อยจะหามามาก ไม่สําคัญขอให้ใจเต็มร้อยก็พอใจเต็มร้อยคือใจที่เปลี่ยนไปได้วยศรัทธานะแล้วจะได้บุญเต็มร้อยนะก็คือความสงบเย็นความปิติความมีเมตต์และไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นคนที่ทอถวายผ้าด้วยมือนะแม้อยู่ไกลนะก็เสมือนว่าได้ถวายด้วยตัวเองอนุโมทนาให้กับผู้ที่ถวายหรือเจ้าภาพเราก็ได้บุญเหมือนกันนะอลไะก็ ในท้ายที่สุดนี้ก็ขออ้างคุณพระศิลรัตน์ตรัยและอนุภางบุญกุศลที่ทุกท่านได้บําเพ็ญในวันนี้จงเป็นพระปัจจัยให้มีอายุวันหนาสุขภัณฑเพื่อเป็นพระปัจจัยในการทำความดีนะให้ถึงพร้อมโดยทานศีลภาวนานะให้ได้รับประโยชน์แห่งธรรมบํารงจิตใจให้มีความสงบเย็นเป็นสุขปลอดภัยไกลทุกข์ให้มีปัญญา พาจิตเข้าถึงความสุขเกษมสารมีพระนิพพานเป็นที่หมายด้วยการทุกคนเทิร